จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสราร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจเป็นการสร้างความสุขให้แก่จิตใจเป็นการลดความทุกข์ให้น้อยลงไปภายในใจ เป็นการตัดภพตัดชาติให้น้อยลงไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปได้ในที่สุดเพราะไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญเท่ากับใจของพวกเราใจของพวกเรานี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเหมือนกับน้ำ และขวดน้ำถึงแม้จะอยู่ด้วยกันแต่ก็เป็นคนละส่วนกันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันร่างกายกับใจอยู่ด้วยกันแต่ร่างกายกับใจเป็นคนละส่วนกันมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันเช่นร่างกายนี้มีอายุไม่ยืนยาวนานเกินร้อยปีแต่ใจนี้มีอายุยืนยาวนาน ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันตายไม่มีวันดับร่างกายนี้เป็นวัตถุคือเป็นรูปประธรรมร่างกายทําจะประกอบขึ้นด้วยดินน้ําลมไฟส่วนใจนี้เป็นธาตรู้ธาตรู้นี้คือตัวที่มีความรู้สึกนึกคิดส่วนร่างกายนี้ ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นเหมือนต้นไม้เป็นเหมือนรถยนต์เป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งเวลาที่วัตถุเหล่านี้ถูกทำลายไปเขาจะไม่มีความรู้สึกแต่อย่างใดร่างกายเวลาที่ไม่มีใจครอบครองแล้วํำเอาไปเผาก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนกับเราเผาหุ่น ร่างกายนี้ก็เป็นหุ่นเวลาที่ไม่มีใจเป็นผู้มาสั่งการแต่เวลาใจมีอยู่กับร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึกนึกคิดแต่ความจริงความรู้สึกนึกคิดนี้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ดังนั้นเวลาที่ใจกับร่างกายไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วจะทำร้ายร่างกายอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาเพราะไม่มีผู้รับรู้นั่นเองแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังมีใจอ ย, อยู่กับร่างกายนี้จะไปทำร้ายร่างกายไม่ได้เพราะมีใจเป็นผู้รับรู้ความรู้สึกต่างๆแล้วก็จะตอบโต้ทันที ถ้าใครไปแตะต้องร่างกายไปทําให้ร่างกายนี้เจ็บปวดขึ้นมาเพราะมีใจเป็นผู้รับรู้และเป็นใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายกระทําการต่างๆนี่คือเรื่องของกายและใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัรู้แล้วนำมามาเผยแป่สั่งสอนให้แก่พวกเรา ถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคําสอนพวกเราจะไม่รู้จักใจเลยพวกเราจะคิดว่าร่างกายคือตัวเราและเป็นตัวที่มีความรู้สึกรับรู้เรื่องต่างๆและเมื่อร่างกายนี้ตายไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสิ้นสุดลงคือไม่มีการไปเกิดใหม่ ไม่มีการไปรับผลบุญผลกรรมเพราะอะไรเพราะเรามองไม่เห็นร่างเพราะเรามองไม่เห็นใจนั่นเองร่างกายนี้เราเห็นได้แต่ใจนี้เรามองไม่เห็นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือกับเคลื่องวิทยุของโทรศัพท์มือถือเราเห็นแต่เครื่องแต่เราไม่เห็นสัญญาณวิทยุที่เข้ามาและออกจากเครื่องไป เพราะว่าสัญญานี้ไม่ได้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเช่นเดียวกับใจนี้ก็เป็นนามธรรมเราไม่สามารถมองเห็นใจได้แต่เรามีวิธีที่จะมองเห็นใจได้คือเราต้องเปิดตาในของเราเราต้องปิดตานอกแล้วก็เปิดตาในเช่นเวลาที่เรานั่งสมาธิ เราหลับตาเพื่อเราจะได้ไม่รับภาพจากภายนอกเมื่อเราไม่รับภาพจากภายนอกแล้วถ้าเราดูใจของเราไปเรื่อยเราก็จะเห็นใจว่าเป็นอย่างไรนะการนั่งสมาธิการเจริญวิปัสสนาปัญญาก็เป็นการศึกษาธรรมชาติของใจนี่เอง ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าใจขึ้นไปตามลำดับจะรู้มากขึ้นไปตามลำดับตามลาดับจนหายสงสัยจงรู้อย่างชัดเจนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าใจนี่แหละเป็นผู้ที่มีความสำคัญที่สุดเป็นผู้ที่รับความสุขรับความทุกข์เป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างบาปเป็นผู้ที่สร้างภพสร้างชาต หรือเป็นผู้ที่หยุดการพบสร้างพบสร้างชาติไม่ยินได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจดวงนี้ดวงเดียวเท่านั้นเองแต่พวกเรานั้นไม่ได้ศึกษาและไม่ได้เห็นความสําคัญของใจเพราะใจของพวกเราถูกอํานาจของความหลงครอบงําอยู่หลอกให้เราไปเห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆภายนอก ของใจคือไปเห็นความสําคัญของร่างกายไปเห็นความสําคัญของรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะไปเห็นความสําคัญของลาบยศสรรเสริญเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาศึกษาธรรมชาติของใจที่เป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของเราชีวิตของเราก็เลย ถูกความหลงหลอกให้ไปสร้างไปสะสมสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจและไม่อยู่กับใจไปตลอดเราจึงต้องพบกับความเสื่อมของสิ่งต่างๆและเราก็ต้องทุกข์กับความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่เราไปเสา ะ, ะแสวงหามาเป็นสมบัติของเรา เวลาที่เขาเสื่อมเขาสูญไปเราก็เศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาอยู่กับเราเราก็มีความวิตกกมีความกังวลมีความห่วงใยเพราะเรารู้ว่าเขาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเขาจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาได้เสมอเขาจะจากเราไปได้เสมอความที่มันเป็นอย่างนี้ จึงสร้างความทุกข์ให้กับใจมาตลอดไม่ใช่แต่เฉพาะชาตินี้ชาติก่อนๆ ก, ก, ก็เป็นแบบนี้เกอนมากี่ชาติใจก็ต้องไปเสา ะ, ะแสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นพิษเป็นภั ย, เ ป, ภยเป็นทุกข์แก่จิตใจมาแบกมาหามมากอบมารัฐมาห่วงมาห่วงมาเศร้าโศกเสียใจด้วยเพราะเรา ไม่มีสติปัญญาพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษกับจิตใจของเรามีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่จะมีมีสติปัญญาสามารถเห็นความสำคัญของใจได้อย่างท่องแท้ จนสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้แล้วมาเผยแผ่ความรู้ที่พระองค์ทรงรู้ให้แก่สรรโลกอย่างพวกเราพวกเราก็จะมืดบอดอยู่ตลอดเวลา เกิดกี่พพกี่ชาติก็จะทำเหมือนเดิมเดิมคือจะต้องหาสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติมาให้ความสุขแต่มหารู้ไหมว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆนั้นเป็นเพียงเสี่ยวเดียวของความทุกข์อันใหญ่โตชีวิตของพวกเราจึงมีความทุกข์อยู่เสมอไม่ว่าจะมีมากมีน้อย จะเป็นใหญ่เป็นโตรหรือไม่ก็ตามจะมีสมบัติกองเท่าภูเขาหรือเป็นขอทานจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวหรือเด็กก็ตา่างมีความทุกข์ทงนั้นเพราะใจนั้นคอยสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองเพราะความหลงหลอกให้ไปกว้านเอาสิ่งต่างๆ ที่มีความทุกข์มานั่นเองเหมือนกับเราไปเอาไฟต่างๆเข้ามาสู่กายของเราไฟเราก็รู้แล้วว่ามันจะต้องเผาเราเท่านั้นมันจะต้องให้ความร้อนกับเราเท่านั้นฉันใดสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ตามก็ดีลาบยศสรรเสริญก็ดี ร่างกายของเหล่านี้ก็ดีมันเป็นกองทุกข์ทั้งนั้นเพราะมันมีคุณสมบัติอยู่สามประการด้วยกันคืออันนี้จังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่อยู่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราไม่อยู่ในอำนาจของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นปาตามปรารถนาได้ จะเราไม่สามารถบังคับให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราไม่สามารถบังคับให้เราร่ำรวยได้เราไม่สามารถบังคับไม่ให้เราจนได้ถ้าถึงเวลามันจะรวยมันก็รวยถึงเวลามันจะจนมันก็จนเราไม่สามารถบังคับให้เราเป็นใหญ่เป็นโตไปได้ตลอดเราไม่สามารถบังคับให้คนอื่นเขา ยกย่องสรรเสริญเยินยอรเราได้ไปตลอดเราจะต้องมีคนที่ชมเราและมีคนที่ชังเราที่เกลียดเราที่จะด่าเราเราจะต้องมีการเจริญลาบและมีการเสรื่อมลากมีการเจริญยศและมีการเสรื่อมยศมีความสุขที่ได้รับจากการเสบลูปเสียงกลิ่นรสผลตพะและมีความทุกข์ที่เกิดจากการ สัมผัสหรือไม่ได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะนี่คือธรรมชาติของเขาเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจึงควรที่จะปล่อยวางอย่าไปกว้านเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาสู่ใจเพราะใจของเรานี้มีสิ่งที่ดีกว่าอยู่ภายในใจสิ่งที่ดีกว่านี้ก็คือความสุขที่เหนือความสุข ทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองอยู่ภายในใจของเราความสุขที่เลิศที่วิเศษปรมังสุขขังนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ที่เงินล้านเงินแสนไม่ได้อยู่ที่ตาแหน่งเป็นนายกเป็นประธานาธิบดีเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่อยู่ภายในใจของเรานี้เองถ้าเราสามารถทําใจของเราให้ฉลาดได้ ถ้าเราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจของเราให้รู้ทันความหลงที่คอยหลอให้เราไปหาความทุกข์เข้ามาแบบมาหามทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรถ้าเรามีคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีเบรกทันทีเลยว่าเอามาทําไมเป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอเป็นอนิจจังทุกขังหรือเปล่าลองถามตัวเองดู สิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้นั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังหรือเปล่าหรือว่ามันไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นทั้งนั้นแหละดูซิว่ามีของอันไหนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปของซื้อมาใหม่ๆวันนี้อีกสองสามปีมันก็กลายเป็นของเก่าไปชำรุดไปเสื่อมไปพังไปของทุกอย่างเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นของที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเป็นเหมือนกันหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจของเราเพื่อให้รู้ทันความหลงที่จะคอยหลอกให้เราไปแสวงหาราบยศเสรเสรแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเรารู้ทันแล้วใจของเราก็จะ ยับยั้งความอยากความต้องการต่างๆได้นอกจากสิ่งที่ยังจำเป็นที่จะต้องมีเพื่อไว้ดูแลรักษาชีวิตคือร่างกายนี้ให้อยู่ไปเพื่อเราจะได้ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาใจของเราให้ถึงจุดสูงสุด แต่ถ้าเราพัฒนาใจของเราถึงพระนิพพานแล้วเราจะดูแลรักษาร่างกายต่อไปหรือไม่ก็ไม่สำคัญอะไรเหมือนกับรถยนต์ที่พาให้เราถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราไม่ต้องใช้รถยนต์อีกต่อไปแล้วเราจะดูแลรักษารถยนต์ก็ได้ไม่รักษามันก็ได้ปล่อยให้มันพังไปก็ได้เพราะเราไม่ต้องใช้มันแล้ว รถยนต์มันพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางของเราพอเราถึงแล้วเราไม่ต้องใช้รถยนต์อีกต่อไปแล้วเราจะดูแลรักษามันหรือไม่ก็ไม่สำคัญเหมือนกับร่างกายของเราถ้าเราได้บรรลุพระนิพพานแล้วเราจะดูแลรักษาร่างกายต่อไปก็ได้จะไม่ดูแลก็ได้จะไม่เป็นปัญหากับใจต่อไป แต่ในขณะที่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานเรายังต้องดูแลร่างกายอยู่แต่เราต้องรู้จักประมาณเท่านั้นเองเวลาที่เราต้องการรับประทานอาหารเราก็ต้องรู้จักประมาณว่าควรจะรับประทานมากน้อยเพียงไรเวลาที่เราต้องการซื้อเสื้อผ้าใหม่มาสวมใส่เราก็ต้องรู้จักประมาณว่าพอหรือยังมากไปหรือยังถ้าพอแล้ว เราก็อย่าไปเอามาเพราะมันจะเป็นความหลงมันจะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราเราเอาเท่าที่จำเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็สอนพระให้มีเพียงผ้าสามผืนก็พอเรียกว่าผ้าไตรจีวรไตรแปลว่าสามผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าสังกาติเป็นผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืน สำหรับพระภิกษุพระสามเษยนี้ก็พอเพียงแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีไกาสำรองไว้แต่อย่างใดถ้าอยากได้ไกาพิเศษขึ้นมาอย่างนี้ก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นตัวที่จะทำให้ใจนี้ต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุอยู่รูปหนึ่ง ท่านมีความชอบในจีวรของท่านท่านรักจีวรของท่านมากเวลาที่ท่านตายไปแทนที่ท่านจะได้ไปเกิดในภพที่ดีกว่าแต่เพราะความผูกพันกับผ้าจีวรจึงต้องกลับมาเกิดเป็นตัวเลงเป็นตัวแมลงเกาะผ้าจีวรพระพุทธเจ้าทรงมีญาณทรงเห็นว่าตัวเลง นี้เป็นตัวที่เป็นพระภิกษุเจ้าของจีวรจึงทรงบอกพระภิกษุทั้งหลายว่าถ้าจีวรผือ น, นี้เจ้าของเขายังไม่ให้อย่าไปแตะต้องรอให้ตัวเลนตัวนี้ตายไปก่อนพอตายไปแล้วก็ถึงจะเอาไปใช้ได้เพราะตอนนี้เจ้าของเขายังหวงอยู่นี่ก็เป็นเพราะว่า มีความรักความชอบในจีวรของตนมากเกินไปริมไปว่าจีวร น, นี้มีเพียงไว้สำหรับสวมใส่ปกป้องอวัยวะปกป้องร่างกายเท่านั้นและมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าไปรักไปชอบมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาได้จะเป็นเหตุให้เกิดภพชาติตามมาได้ดังนั้นเวลาที่เราต้องการอะไร เราต้องถามว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าจำเป็นก็ไม่เป็นกิเลสไม่เป็นความหลงเช่นเราต้องการรับประทานอาหารถึงเวลารับประทานอาหารก็รับประทานได้แต่จะรับประทานมากน้อยเพียงไรนี้ก็อาจจะเป็นกิเลสได้เช่นวัด น, นี้ให้พระภิกษุฉันมือเดียวอย่างนี้แต่ถ้าฉันมือเดียวแล้วจะออกจากศาลาไป หลือยังไม่ทันออกก็มานั่งฉันอีกอย่างนี้ไม่ได้ฉันตามหลักของธรรมะแล้วไม่ได้ฉันเพื่อปราบกิเลสเพื่อตัดความหลงแต่ฉันตามความหลงฉันฉันตามความชอบในรสในรูปในกลิ่นของอาหารเพิ่งฉันไปหยกหยกเพิ่งน้้งบาทยังไม่ทันแห้งแต่ก็มานั่งฉันอีกแล้วอย่างนี้ฉันไปเพื่ออะไร ไม่ได้ฉันเพื่อธรรมะไม่ได้ฉันเพื่อจิตใจแต่ฉันเพื่อกิเลสตัณหาฉันเพื่อภพชาติฉันเพื่อการสะสมกองทุกขนี่พระพุทธเจ้าจึงทรงกําหนดาภาพธุดงค์ขาวให้ภาะภิกษุไว้ปฏิบัติเพื่อที่จะได้กําจัดหรือป้องกันความหลงที่จะคอยหลอกให้ไป รักไปชอบในอาหารชนิดต่างๆนั่นเองถ้าผู้ใดถือทูดงขวัลแล้วเช่นฉันมือเดียวอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องฉันมือเดียวจริงๆไม่ไปฉันที่อื่นฉันที่นี่ฉันในบาทฉันเสร็จแล้วพอลุกขึ้นแล้วไปล้างบาทแล้ว ก, ก็ถือว่าเริ่มการขบฉันของพระในวันนี้หมดแล้วถึงแม้ พระวินัยจะไม่ห้ามให้ฉันอีกก็ตามแต่การฉันโดยถือทุดงควัตนี้เป็นเหมือนกับเป็นการสร้างความภาคเพียรให้มากขึ้นนั่นเองหรือถ้าเป็นน้ำมันก็เป็นน้ำมันพิเศษที่จะทำให้รถนี้วิ่งเร็วขึ้นทุดงควัตนี้ก็เป็นเหมือนข้อวัดปฏิบัติ ที่จะเร่งความเพียรให้ไปได้เร็วขึ้นให้ได้เข้าถึงพระนิพพานได้เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติทุดงวิวพานแต่พระองค์ทรงเห็นว่าคนที่มาบวชนี้มีอินทรีย์คือมีความสามารถไม่เท่าเทียมกันบางคนมีอินทรีย์ที่มากก็จะสามารถปฏิบัติทุดนขวัตนได้อย่างง่ายดาย บางคนที่มีอินทรีย์น้อยก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้มากจึงไม่ทรงบังคับในเรื่องทุดดงขวัตปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาแต่ต้องอยู่ภายในขกรอบของความเหมาะสมคือถ้าเราไม่อยากจะ ป, ะปฏิบัติทุดดงขวัต เราก็อย่าไปบวชอยู่ในวัดที่เขามีการปฏิบัติทุดงเขวัดแล้วเราไปปฏิบัติไม่เหมือนกับเขาอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความแตกสามัคคีเกิดความเหลื่อมล้าต่ำสูงในข้อวัดปฏิบัติของกันและกันได้ถ้าเราไม่สามารถเรามีอินทรีย์ที่ไม่แก่กล้าพอเราก็อย่าไปปฏิบัติกับผู้ที่เขามีอินทรีย์ที่แก่กล้า เหมือนกับนักกีฬาถ้าเราไม่สามารถที่จะวิ่งเร็วเท่ากับคนอื่นได้เราก็อย่าไปแข่งกับเขาให้เสียเวลาเพราะอาจจะไป่วงเขาให้เขาต้องเสียให้เขาต้องวิ่งช้าลงไปเพื่อที่จะรักษาหน้าของเราเอาไว้ดังนั้นค้อทุนับวัด น, นี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บังคับแต่ถ้าไปอยู่วัดไหนที่เขาปฏิบัติก็ต้องถือว่า เขาบังคับในวัดนั้นจะต้องปฏิบัติในวัดนั้นถ้าวัดนั้นมีเจ้าอาวาสที่เข้มงวดกวดขันถ้ามีพระเนรไม่ปฏิบัติตามท่านจะขอให้ออกจากวัดไปท่านจะไม่ปล่อยให้มาสร้างความเสียหายให้แก่หมู่คณะเพราะคนที่ไม่ปฏิบัตินั้นจะไปทำให้ผู้ที่เขาปฏิบัตินั้นเสียกาลังใจได้ เช่นคนที่ทำงานกับคนไม่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นคนทำงานก็จะเสียกำลังใจได้ทำอยู่คนเดียวอีกคนหนึ่งมีแต่จะนั่งจะนอนจะกินอย่างเดียวถึงเวลาก็มานั่งมารับข้าวรับของของกินไปแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องทำภารกิจเช่นฟังเทศฟังธรรมก็ลุกออกจากศาลาไปทาอย่างนี้มันเป็นการสร้างความ เสื่อมเสียให้แก่วงการกับวัดกับวาทําทไปด้วยความเห็นแก่ตัวทําไปโดยไม่คิดถึงความเสื่อมเสียของวัดวาอารามที่จะตามมานี่ก็เพราะว่าปฏิบัติโดยที่ไม่มีสติปัญญาถูกความหลงครอบงําหลอกให้ตนเองคิดว่าสิ่งที่ตนเองทําอยู่นี้ ไม่เสียหายอะไรทำได้แต่ในสายตาของชาวบ้านเขาบนกันพุมพังพึมพังเพียงแต่ว่าเขาไม่พูดเท่านั้นเองเพราะเขามีเขามีมารยาทเขาไม่กล้าพูดเพราะเขายังเคารพในผ้าเหลืองอยู่แต่คนที่มาอยู่มาบวชในวัดนี้ควรที่จะเคารพผ้าเหลืองด้วยควรจะเคารพวัดด้วย ควรจะเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเวลาเราจะทำอะไรเราควรจะพิจารณาดูว่าการกระทำของเรานี้เหมาะสมหรือไม่ควรหรือไม่ทำแล้วทำให้เกิดผู้ที่มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาหรือไม่ทำไปแล้วทำให้ผู้ที่ไม่มีศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นมาหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนพระภิกษุเสมอ ให้คำนึงถึงการปฏิบัติของตนว่าตอนเองกำลังทำอะไรอยู่ตอนเองนี้เป็นผู้ที่อาศัยผู้อื่นในการเลี้ยงชีพทุ ก, กิริยาอาการที่กระทำนั้นต้องให้เหมาะสมต้องให้อยู่ในที่เขาไม่ตำหนิติเตียนได้แต่ถ้ามาบวชแล้วไม่สนใจการบวช น, นี้ แทนที่จะเป็นบุญก็จะกลายเป็นบาปไปเพราะว่าทำให้เกิดความเสียหายทั้งกับตนเองและกับพระาศาสนาในวงกว้างทำให้ผู้ที่มีศรัทธาเสื่อมศรัทธาทำให้ศาสนานั้นอายุสั้นลงไปเพราะาศาสนาที่จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยทั้งพระภิกษุและคารวะต่างฝ่ายต่างทาหน้าที่กัน พระภิกษุก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะทำให้คารวะญาติโยมเกิดศรัทธาที่อยากจะทำบุญที่อยากจะสนับสนุนเมื่อมีการกระทำหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายอย่างถูกต้องพระศาสนาก็จะมีอายุยืนยาวนานนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ที่พูดถึงก็คือทุ ด, ดมควัดถึงแม้ว่าจะเป็นข้อข้อพิเศษก็ตามแต่เมื่อไปอยู่ในวัดที่เขาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามแต่เนื่องจากบางวัดเช่นวัดนี้ไม่มีตำรวจพระ <c oughs> ก็คือไม่มีเจ้าอาวาสที่จะมาคอยว่ากล่าวตักเตือนหรือคอยที่จะลงโทษ วันนี้ก็เลยกลายเป็นวัดอนาถาไปาก็เป็นไปตามความพอใจของแต่ละองค์แต่ละท่านที่จะปฏิบัติกันดังนั้นความเจริญของวัดนี้แทนที่จะเจริญได้มากกว่านี้ก็เจริญได้เพียงเท่านี้เพราะว่าขาดปัดจจัยคือผู้นำผู้ผู้เป็นหัวหน้า ผู้ที่จะให้คุณให้โทษแก่พระภิกษุสา ม, มเณรได้งนั้นสำหรับผู้ที่มาบวชแล้วเพื่อต้องการที่จะได้บุญก็ขอให้เรามองกฎระเบียบของวัดเป็นหลักแล้วปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดไปแล้วเราจะได้บุญอย่างที่เราปรารถนากัน อย่าไปมองผู้ที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเป็นตัวอย่างแล้วปฏิบัติตามมันก็จะทำให้เราเสียไปด้วยเราก็จะไม่ได้บุญสมกับความตั้งใจของเราที่เรามาบวชเพื่อมาเอาบุญเราไม่ได้มาบวชเพื่อมาหาท <c> ร <oughs> ัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่ได้มาหาราบยศมาหาตำแหน่งไม่ได้มาหาลูกศิษย์ลูกหา แต่เรามาหาบุญหาคุศมหามรรคผลในผ่านเราก็ต้องยึดแนวของพระสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดแล้วเราก็จะได้มิเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเกื้อกูลช่วยสนับสนุนให้พระพุทธศาสนามีอายุยืนยาวนานขึ้น และเราจะได้ช่วยให้ญาติโยมให้มีศรัทธาที่มั่นคงขึ้นถ้ามีศรัทธาอยู่แล้วและผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะได้เกิดศรัทธาตามขึ้นมาด้วยนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจของพวกเราทั้งหลายให้เจริญก้าวหน้าไป ขอให้เรามองไปที่พระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นแบบเป็นฉบับอย่าไปมองพระที่ไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติ ด, ดีไม่ปฏิบัติชอบเพราะจะทําให้เราคว้ยเขวหรือทําให้เราหมดกําลังใจได้จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาบําเพ็ญและปฏิบัตินี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิณิพิจารณา และปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดง <c oughs> ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตับใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณสุขภาระ โดยทั่วหน้ากันเธอ